บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่ององค์ฌานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสงบภายในจิตตามลำดับเมื่อถึงชั้นที่เรียกว่าปฐมฌานในขณะนั้นจิตใจของบุคคล จะประกอบด้วยกุศลธรรม5ประการคือวิตกความตรึกที่เป็นกุศลวิจารณการไตรซองเนี่ยวนึกที่เป็นกุศลปิธิความเอิบอิ่มกายวิมใจสุขความสบายกายสบายใจแล้วก็จิตเป็นสมาธิคือเป็นเอกะกะตาได้แก่มีอารมณ์อย่างเดียว แต่องค์ชาน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไปในจิต ใ, ใจของบุคคลก็ในกรณีที่นั่งบำเพ็ญเพียรทำความสงบจิตจนบรรลุฌานเท่านั้นพยายามปกติเมื่อไปกระทบอารมณ์ภายนอกเข้าจิตใจก็จะแปรผันไปตามการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆซึ่งกหมายความว่าคงมีความรักความชางความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายอยู่นั่นเอง เพียงแต่ว่าหากไม่มีการกระแทกกระทันอะไรรุนแรงมากนักสามารถคมใจห้าามใจสำรวมระวังใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นในจุดนี้เองก็มีคำสอนอีกระดับหนึ่งที่ให้บุคคลใช้ในชีวิตประจำวันเพราะาตามปกติแล้วก็ไม่มีใครสามารถนั่งสมาธิอยู่ได้ตลอด อย่างแต่ว่านั่งระยะสั้นๆในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเองยิ่งเป็นคารวะผู้ครองเรือนแล้วโอกาสที่จะไปนั่งสมาธิบาเพ็ญเพียรอย่างนั้นก็จะทําได้ยากมากยิ่งขึ้นแม้แต่ผู้ผู้ที่บวชเข้ามาหรือว่าเข้าไปอยู่ป่าจเจริญธรรมบาเพ็ญกรรมฐานก็ตามตามปกติก็ต้องใช้อิจาบทไปทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพยายาม ใช้เรียบทเหล่านั้นให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสติคือมีสติในการยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนการผูแ้แขนเหยียดแขนการทำการพูดการคิดต่างๆแต่ท้าอยู่อย่างนั้นก็ค่อนข้างทำได้ง่ายเพราะว่าอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกไม่ค่อยรุนแรงเป็นป่าเขาลำนอปลาส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมชาติที่มีความคุ้นเคยแรงกระแทกกระทันทางใจบางก็ไม่ค่อยมาก ทั้แม้ในท่านอยู่ในยาบทอื่นคือไม่นั่งสมาธิแต่ความสงบภายในจิตมันก็เกิดขึ้นได้มากกว่าแต่ว่าจริงแล้วคนเราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างนั้นคนจานวนเล็กน้อยเท่านั้นเองที่ไปบมเพ็ญเพียรได้ในลักษณะนั้นเพราะในอการปฏิบัติที่ต้องการให้ควบคุมจิตใจตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นหลักการสาคัญ สำหรับสาธุชนทั่วไปประจุดมุ่มงหมายในการปฏิบัติธรรมะทางศาสนานั้นทรงแสดงไว้โดยในญ่าหนึ่งว่าคือเพื่อต้องการจะสารวมระวังเพื่อต้องการลดเพื่อต้องการละเพื่อต้องการดับกิเลสแต่นั่นเองประเด็นสำคัญยังอยู่ที่ทำยังไงก็ตามให้สามารถที่จะสารวมระวังหรือไม่งั้นก็ลดหรือบรรเทา หรือะละหรือดับกิเลสก็ตามเป็นประเด็นสําคัญเป็นเนื้อหาหลักในการปฏิบัติธรรมะตือพ้นดีงามจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ดูตรงนี้ดูที่กิเลสลดลงไปหรือไม่และธรรมะเพิ่งขึ้นหรือไม่แนวของวิตกซึ่งเป็นองค์ชาตินั้นเป็นวิตกที่เป็นกุศลล้วนประเด็นสาคัญว่าในชีวิตประจำวันสามารถควบคุมวิตก คือความนึกให้เป็นกุศลล้วนได้หรือไม่แต่เราขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบแต่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตของเราที่รับรู้อารมณ์ในขณะนั้นๆว่าจะโน้มเอียงไปในทางใดถ้าจิตโน้มเอียงไปทางความสงบมันก็สามารถที่จะคุมกุศลให้ความนึกคิดให้เป็นกุศลอยู่ได้แต่ถ้าติดใจอ่อนแอรหรือว่า มีอารมณ์ที่กระแทกข้างนอกแรงจริตใจก็อาจจะแปรผันไปได้ส่วนจะมากหรือน้อยช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็เป็นรายละเอียดถึงการปฏิบัตินั้นบุคคลสามารถสังเกตจิตใจตัวเองได้ว่าออนไว้ไปมากหรือน้อยที่ออนไว้ไปนั้นออนไว้จากตัวนอกหรือตัวในหรือว่าอาจจะทั้งสองประการหรือว่าประการใดประการหนึ่งแต่เนื้อหาหลักจริงๆก็อยู่ที่ใจ ไว้ความมัดตัวนในคืออารมณ์ข้างในที่เราจะมีความเข้มแข็งมีความอดกลั้นมีความอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเียนไงการอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์นั้นมุ่งเน้นเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ใช่พูดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างขึ้นและราาักษาไว้แล้วก็เพิ่มพูนต่อไปในเรื่องวิจารณ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับวิโต เป็นความเดียวนึกความตึกนึกหรือความคิดพินิษฐ์ปิจนาความไตรตรองซึงเราใช้คำควบกันสองคำมัเป็นช่วงของความคิดที่เหยียดออกไปจากจุดซึ่งเราเดียวนึกตกึกนึกนั่นเอง เ, เรียก ว, ว่าคิดพินิษฐ์ปิจนาหรือว่านึกคิดห ร, รหรือว่าไตรตรองหรือตรีตรองหรือบางีก็ดารีตรีตรองอะไรนี่เป็นลักษณะที่เราพูดต่อกันไป แต่จริงแล้วก็เป็นอาการทางกิตที่มันต่อกันพระเจ้าก็ทรงแสดงพวกกุศลวิตตคกอทำยังไงวะให้ใจอยู่ด้วยความคิดในแนวนี้แม้บางครั้งมารามีอารมณ์มากระทุจากข้างนอกซึ่งกระตุ้นในเกิดกิเลสก็มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ดอกนั้นเห็นว่าไปรับไว้มันก็จะมีปัญหาก็สลัดอารมณ์ด่านั้นออกไป สามารถจะหาประโยชน์ได้เราก็หาประโยชน์อย่าได้เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้มองว่าในแนวธรรมะพื้นฐานนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นไปที่อะไรเป็นอะไรอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูนี้แสดงว่าพื้นฐานในนั้นจิตใจเราไม่เข้มแข็งมากพอถ้าเกิดไปดูในเรื่องที่ไม่ควรดู กิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูถมากยิ่งขึ้นหรือแม้ไปดูในเรื่องที่ควรดูแต่พื้นฐานทางศรัทธาภัจจาร t ม a ก็เรามีกําลังไม่พาคพอมันก็จะอยู่ในสภาพที่เราพูดกันว่าใรกล้เกลือกินด่างเราอยู่ใกล้พระัตนาตรัยแต่เราก็ไม่เห็นพระรัตนาตรัยเราอยู่ในรูปแบบของผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้สัมผัสรสของธรรมะเป็นต้นมันก็อยู่ในรูปของการใรกล้เกลือกินด่าง วการควบคุมความคิดที่อยู่ในสายของกุศลอยามที่รับอารมณ์มาจากข้างนอกนั้นพื้นฐานทางจิตจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถึงจุดหนึ่งนั้นท่านจะไม่สนใจว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ปัญหาว่าเราจะคิดเรื่องนั้นอย่างไรเรามองสิ่งนั้นอย่างไรถึงนั่าจะเป็นสิ่งเลวไร้แต่ว่าภูมิธรรมสติปัญญาออกมาพอเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ ซึ่งคนนี้จะพบว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นทรงหาประโยชน์ได้ทั้งกลุ่มของธรรมชาติคือเกิดแก่แต่เกิดแก่เจ็บตายถึงเป็นกลุ่มของธรรมชาติทรงหาประโยชน์ได้จากอาการของกิเลสแล้วก็ตัวกิเลสโดยพิจารณาเห็นทษของสิ่งเหล่านั้นทรงหาประโยชน์ได้จากผลสรุปของธรรมะหรือผลรวบยอดของธรรมะ ที่เป็นความสุขความสงบความเยือกเย็นความโปร่งเบาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลตอา น, นั้นที่ได้ประสบพบเห็นในโอกาสต่างๆซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ถึงสังเกตว่าการที่พระญาติของพระโพธิสัตว์คือพระนางกิสากรจะมีที่มองเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็อุทานขึ้นมาว่า ใครเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้ก็ดับเย็นสนิทแล้วใครเป็นพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ดับเย็นสนิทแล้วผู้หญิงใดที่เป็นพันยาของชายคนนี้ก็ดับเย็นสนิทแล้วนั่นแสดงให้เห็นถึงอาการกิริยาของพระโพธิสัตว์เป็นการสะท้อนธรรมะที่มีลักษณะสงบเย็นจนคนที่เข้าใกล้สัมผัสได้ ซึ่งก็หมายความว่าพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะลูกคนนี้หรือปัญญาของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสามีคนนี้แต่จะมีแต่ความสุขความสงบความเจ็ดเย็นก็เป็นที่ตั้งของศรัทธาประสาทรกระตุ้นให้บุคคลมีความกระตือรือร้นที่จะมีจะเป็นอย่างท่านบ้างนั่นคือเป็นการแนวมองโดยพื้นฐานทางจิตเราที่มีความเข้มแข็ง เราจะไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่เราจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องเราจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็คล้ายๆกับวิชาการระดับสูงทั้งหลายเราเฉพาะริสัยวิชาการเหล่านั้นแม้ก า, กากแม้เศษของสิ่งของที่เขาทิ้งแล้วแต่พอวิชาการสูงขึ้นเราก็ใช้ประโยชน์จากกา ก, ากจากเศษของที่เขาทิ้งเหล่านั้นได้ โดยเปลี่ยนสภาพของสิ่งเดล่านั้นตามกรรมวิธีนั้นๆซึงเป็นเรื่องที่ปรากฏได้พบเห็นกันในชีวิตประจำวันวันการวิโตกวิจาร์มันก็อยู่ที่พื้นฐานปัญญาของเราแต่เพื่อจะป้องกันไม่เกิดปัญหาในตอนแรกก็ต้องแยกอะไรเป็นอะไรก็พยายามคุมความคิดให้เป็นกุศลเอาไปในด้าปีติความอึบอิ่มใจนั้นมันอยู่ที่ การสามารถสะละละวางเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอนดีตได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีคือเน้นไปเฉพาะเรื่องไม่ดีเพราะปีตินั้นเป็นตัวกุศลสิ่งที่ขัดขวางกุศลก็คือผู้อกุศลทั้งหลายก็ใกล้ๆกับ น, น้าําใสสิ่งที่ขัดขวางน้ําใสก็คือความขุ่นความพวกตรกรันพวกโคลนต้มต่างๆแต่เราก็จะสิ่งเหล่านั้นออกไปน้ําซึ่งเป็นสภาพใสมันก็ใสขึ้นมาได้ จิตใจก็บุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นกิเลสมันเป็นอาคันตุกะมันเป็นไม่ใช่เจ้าเรือนคือไม่ใช่ตัวจิตแต่มันก็จอนเข้ามาเพราะกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความมิตกกังวลห่วงใยเดือร้อนต่างๆนั้นจะทาให้ใจไม่มีปิติคือไม่มีความเอืบอปิ่มไม่มีความโปร่งเบาไม่มีความสละสะดวกท่านยังสอนให้ตัด บางครั้งที่ทรงสอนว่าเธอตรงวางทางข้างหน้าจงวางทางข้างหลังหรือบางครั้งทรงอุปมาคล้ายๆกับเรานั่งเรือบอกให้วิดเรือแก้วิดเรือให้ให้วิดน้ำที่เข้าไปอยู่ในเรือนี่ออกไปเรือมันจะเบาแล้วจะไปถึงท่าโดยพลัน ในชีวิตในอารมณ์ของคนเรานั้นให้ดองสังเกตว่าเรามีอารมณ์ที่มีปัญหาทั้งสทั้ง3การคืออารมณ์ที่เป็นอดีตโดยเฉพาะอารมณ์ที่สร้างความพิจกกังวลเสียดายโวย ห, หาอะไรให้เกิดขึ้นพะจิตเป็นเหนี่ยวนึกจิตมันก็ถูกแบ่งแยกไปอยู่กับอดีตซึ่งไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ให้ดองสังเกตาบางครั้งเราอ่านหนังสือเนี่ย ตาเราอาจจะดูหนังสือแต่ใจเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ประสิท ธ, ธิภาพจากการอ่านในขณะนั้นเวลานั้นมาก็มีเท่าที่มีได้คือไม่ได้เต็ ม, มเ็ดเต็มหน่วยอะไรแต่ยิ่งไปกว่านั้นบางทีก็มีลักษณะคว้าควาหนะอนาคตเพราะาอดีตก็เป็นเรื่องข้างหลังอนาคตเป็นเรื่องข้างหน้าเรี๋ยวพี่ยาสอนให้วางให้วางทั้งอดีตทั้งอนาคต มากำหนดอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันแต่ต้องเป็นกุศลคือแ ม, ม่มีคำแม้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นกลางๆแต่จิตเป็นเหนียวนึกในฝ่ายที่ไม่ดีแล้วความพิติตรก็เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากคิดถึงความไม่ดีที่ต น, นได้ละได้เช่นเคยประพิติษก้ า, าวเล้าเกเรแล้วก็ละความพิรุษก้ า, าวเล้าเกเรเราดันได้เคยตกเป็นธาตสิ่งเสพติดแล้วก็ ละสิ่งเดียดติเดเล่านั้นได้แล้วกระดำมาระลึกอย่างนี้ปีติประมูตมันก็เกิดแต่ถ้าเป็นการเหนียวนึกตึกนึกโดยขาดปัญญาในการพินิจพิจารณาแล้วความเออบิมความปีติก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะในจุดนี้ก็สรงสอนให้กาหนดจิตอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันอดีตก็เป็นเรื่องผ่านมาแล้วอนาคตก็เป็นเรื่องยังไม่มาถึง คิดไปก็เท่านั้นเองคือไม่ได้อะไรขึ้นมาที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่เอาก็จริงก็ยังไม่ได้ทําเพราะเวลามันยังไม่ถึงเพราะในช่วงที่คิดเราก็เป็นความศูญเปล่าที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรว่ราสิ่งเรานั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นโดยการเดี๋ยวนึกตึกนึกในเรื่องอดีตด้วยความวิตกกังวลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่หากว่าจะใช้มาคิดก็คิดในแนวของเป็นตัวอย่างเป็นหลัก ที่จะนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันอดีตมันก็กลายเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าใจที่มีความคับแค้นมีความอาฆาตอยจฉามีความโกรธมีความผูกโกรธมีความรู้สึกเจ็บใจต้องการจะแก้แค้นต้องการจะโต้อตอบทำลายล้างเป็นจิตที่เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อปิติ มายความว่าใจที่ประกอบด้วยความพยาบามนี้มมีทางจะเกิดปิติขึ้นมาได้ซึ่งผิดกับเรื่องของความโลภบางทีความโลภที่ไม่แรงเกินไปนั้นในจุดหนึ่งเราก็ไม่เกิดปิติจริงแต่ว่าในขณะที่ขวนขวายเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการก็เราก็ใกล้เข้ามาทุกขณะมันก็มีความเอื้อปิบมีความชื่นบานปรากฏขึ้นโดยลาดับคือผ่อนคลายลงไปโดยลาดับ พอถึงได้มันก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีว่ากลายเป็นอาการคล่องปีติแต่ว่าอาศัยวัตถุไม่ใช่ปีติในองค์จานส่วนความคับแค้นความมาคาดพยาบาทการจะโต้อตอบทำลายล้างจะเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อความเบิบอิ่มภายในใจที่เรียกว่าปยาบาทรพราะทําอย่างไรอารมณ์ที่ขุดมัวเศร้าหมองที่ใครทาให้เกิดความโกรธความผโผโกรธความมาคาดแค้น คิดไปก็ทานั้นเองทำลายสุขภาพใจเราปรเปล่าๆเราก็พยายามที่จะสารละวางอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้อาจจะคิดในแนวไทยๆช่างก็เถิดไม่เป็นไรเรื่องของใครเรื่องคนนั้นควายใคเข้าข้อคนนั้นเป็นต้นน <c oughs> แต่ละอย่างที่เรานำมาคิดถ้าทำได้ตามที่คิดจริงๆแม้แต่คำว่าช่างก็เถิดไม่เป็นไรเราคิดได้เราก็ทำได้จริงๆ นายช่างเขาเถิดแต่ว่าใจยังร้อนด้วยความอคาดปยาบาทอยู่ก็แสดงว่าช่างเขาเถิดนั้นเปล่งออกมาจาเพราะปากแต่ไม่เปล่งด้วยใจที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าพูดมาจากใจหรือเปล่งมาจากใจแต่พูดกับคนทั่วไปก็ทรงใช้ับว่าเมตตาขวัญใจคือแม้ความเราจะพูดอะไรก็ตามนะมีพื้นฐานอยู่ที่เมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สลับ หรื อ, อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงก็ความอาคติปฏิบัติความจงเวรความผูกโกรธลงไปได้ใจมันก็เกิดจะปีติค้นมานี่เป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันจะเป็นการเพิ่มกุศลวิตกเพิ่มวิจารณที่เป็นกุศลเพิ่มความเมตตาให้เกิดขึ้นภายในใจ ใจที่มีเมตตานะั้นเป็นใจที่เอิบกลิ่มใจที่ปิติดท่านสาธาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าเรานั่งไันอยู่มากๆคนละเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคนเหล่านั้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นญาติพี่น้องวงศาระษัทญาติเพื่อนฝูงของเราเราจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่เราจะรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานผ่านการเวลาไปอย่างรวดเร็ว เ, ว เ, เกินในความรู้สึกของเราทั้งๆ ท, ที่เวลามันก็เท่ากันนั่นแสดงว่า ใจประกอบด้วยเมตตานั้นนํามาซึ่งความเบิกบานเพลิดเพลิบนบันเทิงใจแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นสัตว์โซวมงซ้ายมังขวาเจอแต่คนที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเราจะต้องอยู่ในที่นั้นหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงสาชั่วโมงแต่หนึ่งชั่วโมงนั้นอาจจะเป็น10บชั่วโมงในความรู้สึกนึกคิดของเรามันดึกอ่านขัดข้องมาโดยประการต่างๆ เราจะถาม่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าใจในขณะนั้นมีความโกรธมีความพยญาบาทโจบแต่ทำไมกับคนกลุ่มหนึ่งเราจึงอยู่ได้สนุกสนานเพลิดเพลินรืรร่นเริงบันเทิงกันเพราะว่าในขณะนั้นใจมีความรักความเมตตาจนปัญหามันจึงมาอยู่ที่ใจว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อจะรักษาใจให้มีปีติ แทนที่จะมีความขุดหมุดเศบ้าของปิติมันเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมผลมันก็จะมาจากกุศลคล้ายๆกับลูกทุเรียนผลมันก็จะมาจากผลนั้นก็จะมาจากต้นทุเรียนเพราะอาการของธรรมะทั้งหลายนั้นมันสืบสายมาจากกุศลที่เป็นจุดเริ่มต้นในที่นี้ก็คือเมตตาอาการต่อไปนั้นความสุข ความสุขเป็นอาการโปร่งเป่าซึ่งสืบเนื่องมาจากปีติสุขกับปีติที่จริงก็เป็นอาการของกันแลกกันเรามีปิติเราก็มีสุขเราก็มีสุขเราก็มีปิติเราก็แยกออกจากกันไม่ได้ความสุขมันก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเขตในชั้นของฌานมันก็เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญสมาธิซึ่งหมายความว่าพอใจสงบก่นแล้วสุขมันจะเกิดขึ้นแต่เราสังเกตว่าตัวความสงบนั้นก็เป็นกุศล แต่ตัวความสงบก า, าจริงก็เป็นผลทั้งเกิดมาจากการบำเพ็ญเพียรสมาธิที่มีความสงบเกิดขึ้นมาโดยดำลำดับแล้วก็ทยอยกันมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็กลับไปที่กุศลและเจตนาของเราที่เกิดขึ้นต้องการจะบำเพ็ญเพียรทางจิตต้องการจะเจริญสมาธิแล้วผลเราแล้วก็ต่อกันไปเป็นเหตุเป็นผลทยอยกันไปเรื่อยๆดังนั้นความสุขมื่ก็อยู่ที่ร่างกายเราไม่มีปัญหา ในส่วนร่างกายไม่มีปัญหาคือไม่เสียแทงมากเกินไปอย่างที่เคยบอกถึงเรื่องซึ่งท่านบอกว่าติดตัวเรามาตั้งแต่กาเนิดในพระบาลีที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นแสดงไว้หกต่อมาพระอาจารย์รุ่นหลังท้าก็รวบรวมมาจากที่อื่นก็กลายเป็นสิบนั่นคือหนาวรอ้อนอิ่วกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วเกิดแก่ตาย เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับร่างกายด้วยและปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็พบที่กายแต่ว่าใจเป็นตัวสวยอารมณ์เป็ตัรับรู้เพราะในขณะนั้นร่างกายเราจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดปวจาระกปัสสาวะเรื่องง่วงนอนแล้วก็ซึ่งแก่เจ็บตายที่จริงมันมีอยู่ทุกขณะ แต่ถ้าไม่แรงมากเกินไปก็มีปัญหาน้อยหน่อยในขณะเดียวกันเจ็ดประการครั้งแรกจะต้องไม่บีเพราะถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งท่านะั้นเองมีปัญหาทันทียกตัวอย่างเช่นหนาวร้อนเราจะนั่งสมาธิต้องการหนาวจะเยือกเนี่ยก็เอาไม่อยู่ร้อนจัดแรงๆเราก็นั่งไม่ได้ถามความสุขจะเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นไม่ได้หนาวจากก็ดีร้อนจัดก็ดีเกิดขึ้นไม่ได้ ยามหิวยามกระหายหิวอย่างแรงกระหายอย่างแรงมานั่งปฏิบัติธรรมะมานั่งอ่านหนังสือมานสนทนาธรรมะการมาฟังธรรมมาปฏิบัติกรรมฐานอะไไม่ได้เลยหรือทำไม่ได้เพราะมันเสียดแทงเกินไปนั้นแสดงว่ากายไม่ได้สุขใจมันก็กระสับกระส่ายเมืใ่ใจกระสับกระส่ายก็ใจก็ไม่ได้สุขด้วยแต่เงื่อนไขเหล่านี้จึงท่านเรียกว่าต้องการสัปปายา ต้องการมีสปายักต่สปายัก็คือจริงก็คือสบายพระมักจะใช้คำว่าสปายักไปคือสบายทํายังไงให้มันสบายก็มีองค์ประกอบต่างๆจะทรงแสดงไว้ในแนวของสัมปชัญญะประภะว่าได้อาหารเป็นที่สบายได้ที่อยู่เป็นที่สบายอากาศเป็นที่สบายอารมณ์เป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นที่สบาย แล้วก็ตลอดถึงเพื่อนฝูงที่เขาร่วมกิจกรรมนั้นเป็นที่สบายจะทํางานกับคนพวกนี้สบายใจเกี่ยวข้องคนพวกนี้เราสบายใจนั้นแสดงว่ามันสืบเนื่องมาถึงใจใจรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องเหล่านั้นใจก็ดิ้นเพื่อจะลดปัญหาเหล่านั้นลงไปเพื่อได้สิ่งที่ตนรู้สึกว่าสบาย หรือปวดอุจจระทวระสาท ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นเราก็ไม่สงบเหมือนกันทั้งแต่ที่มันอยู่ที่กายง่วงนอนนั้นเป็นอาการทั้งกายทั้งจิตสแสดงว่าพอเจอก็สาเจอย่างนี้แต่และอย่างไม่อย่างเดียวเราก็ใจไม่สงบดัง น, นั้นท่านก็สอนให้ลดมีวิธีการลดในเรื่องเหล่านี้เพราะเรื่องเหล่านี้เราละไม่ได้เราทำได้แค่ลดเท่านั้นเอง มันเป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาจากความเกิดความเกิดเองก็สืบเนื่องมาจากกิเลสเพรา ะ, ะนั้นถ้าจะแก้เรก็แต้ที่ตัวกิเลสเป็นการตัดรากถอนคนจริงๆจะแก้ถึงอื่นมันคล้ายๆกับปวดเมื่อยหน่อยก็จะมองมาทายต่ตอนนั้นคงจะบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ในสุดมันก็ปวดต่อไปมันความสุขตึงอยู่ที่จิตใจ ถ้าใจเราไม่ถือไม่เก็บกฎอะไรไว้มากเกินไปเราก็ได้ความสุขอย่างนี้ท่านกล่าวไว้ในอุนทนธรรมที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์ได้ให้เราสังเกตว่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในต่างประเทศ กับในประเทศเราเหตุการณ์เหมือนกันทุกเรื่องมีอาชญากรรมมีการฆ่ากาันมีการฆ่ากันมีการฉุดค่านาจารย์มีอะไรต่างๆสารพัดแล้วก็เหมือนกันทุกส่วนของโลกแต่เราอ่านข่าวต่างประเทศเราเฉยๆแต่พออ่านข่าวในเมืองไทยทำไมเดือดร้อนเพราะว่าบ้านเมืองของเราประเทศของเราตังคมของเรา เหตุการ์เหล่านั้นถ้าหากว่ายิ่งใกล้บ้านเราเท่าไร่เราจะเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าห่างออกไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้อะไรไกลๆไปหน่อยแต่ความเดือดร้อนจะน้อยลงหน่อยนั้นแสดงให้เห็นว่าที่มันเกิดเดือดร้อนเพราะใจไปยึดเพาเป็นของเราขึ้นแต่เหตุการ์ลักษณะเดียวกันในเกิดที่อฟริกาเกิดที่ไรเดีย๋ยวเราก็มีข่าวคน อ, อฟริกาตายกันทุกวัน ความอดจากหิวโหยทุกทรมานภาพเหล่านั้นเราก็เห็นภาพเราก็สลดใจพุ๊บเสร็จแล้วมันก็เลือดหายไปดูบ่อยๆข้าวเลยชินก็ไม่รู้สึกอะไรกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นชาติเราเป็นประเทศเราเป็นคนของเราเป็นพี่น้องของเรา ความสุขที่จะต้องสร้างขึ้นก็คือพยายามปล่อยวางอารมณ์บางอารมณ์ที่เป็นขาศนสึกคาว่าปล่อยวางก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมุ่งเฉพาะส่วนไม่ดีไม่ใช่ปล่อยวางกันไปหมดเลยดีก็ปล่อยไม่ดีก็ปล่อยไม่ใช่ในในตอนนี้ท่านพูดเฉพาะส่วนที่ไม่ดีคือพยายามละละวางอารมณ์หลอดนั้น ที่จริงแล้วมันเป็นนามธรรมเราไปอุ้มเหมือนเฉยๆความคิดทั้งหลายเนี่ยท่านลองสังเกตว่ามันเป็นนามธรรมเราใจเราไปอุ้มไว้ือนเฉยๆถ้าเราปล่อยมันก็หลุดทันั้นเด้งคล้ายๆของที่เราถือไว้แล้วเราปล่อยมันก็หลุดจากมือเราทันนั้นที่มันยังติดมือเราได้สร้างความหนักให้แก่เราอยู่ได้เพราะเราไปถือมันไว้ทันทันเดงอารมณ์ทั้งหลายที่สร้างความทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้นแนวเหล่านี้จึงเป็นแนวที่ส่งเน้นให้คนใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นธรรมะภาค ป, ป, ป, ปฏิบัติเป็นภาวนาเหมือนกันแต่เป็นอุปการะของฌานไม่ใช่เป็นตัวฌานเพราะตัวฌานนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากนั่งสมาธิแต่ตรงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้สติสัมปชัญญะองค์ธรรมะที่ใช้เหมือนกันคือสติสัมปชัญญะความเพียรเหมือนกันแต่เป็นการใช้ตามควรแก่กรณีของอารมณ์ ส่วนแนวสมาธิมันก็ใช้ตามพื้นฐานของอารมณ์กรรมาฐานที่เรานั่งจเจริญสมาธิก็แล้วแต่แต่ว่าจะพุทโธหรือว่าเป็นอะไรก็ตามพอถึงจุดนี้มันก็จะเหมือนกันในจุดนี้แต่วิธีในการรพฤติปฏิบัติก็ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันือมาทางใดก็ได้ถ้าเกิดผลในลนนักษณะดังกล่าวก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องด้วยกัน รัฐธรรมะเหล่านี้จึงอยู่ในกลุ่มของภาวนาคือสิ่งที่จะต้องอบรมกระทำบำเพ็ญได้บังเกิดขึ้นเพราะเมื่อสามารถประพฤติปฏิบัติได้จิตใจก็จะได้วิตกที่เป็นกุศลวิจาร์ที่เป็นกุศลความอื่อปีมใจอย่างน้อยก็ความดีใจแล้วได้ความสุขกายสบายใจอันเป็นผลที่ทุกคนมุ่งมา่ปรถนาน่นนนผลเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้น หากผุคคนพร้อมที่จะใช้สติสัมปชัญญะความเพียรให้สอดคล้องกับลักษณะอารมณ์ดอกนั้นความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่กา ร, ป, รปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป